พระธรรมเทศนาของพระสุทิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามยี่สิบหกรกฎาคมสอง7เจ็ดเรื่องสังเวคกถา ตังพยังวรเนเป ก, กมาโนกุญญาณิกยิราธาถูกาวห้าหนีติบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ตังนี้บัดนี้จะได้แสดงทำนิกาฐานน า, นาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่อง เพิ่มพูนกุศลบุญยราศีทักกิณานุปทานที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรได้บำเพ็ญในวาระวันนี้เพื่ออุทิศกลลปนาผลให้แก่ผู้วายชนไปสู่โลกอื่นแล้วนั้นชื่อว่าได้ทำตามประเพณีของบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องแสดงกระตันยูกระตะเวทิตาธรรมแก่ผู้ล่วงับไปแล้วนั้น เพราะเหตุว่าบุคคลที่ตายไปนั้นมีความเป็นอยู่ผิดจากพวกเราคือไม่มีการค้าขายทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างพวกเรามีแต่เสมยผลกรรมเก่าที่ตนทำไว้หรือญาติมิตรทำอุทิศให้ในโลกนี้เท่านั้นคือใครได้ทำกรรมดีไว้ย่อมได้เสมยผลเป็นสุขถ้าทำกรรมชั่วไว้ ย่อมได้สวยผลเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้จึงสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะทำแก่บุญกุศลคือความดีไว้ให้มากเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและเพื่อเป็นการตอบแทนอุปการะคุณแก่ท่านผู้มีบุญคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วแก่ตนในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งจัดเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมทานแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ทรงสรรเสริญไว้ว่าเลิศกว่าการให้อย่างอื่นดังพระพุทธภา ษ, ษิตว่าสบดานังธรรมดานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนี้ต่อไปนี้จะได้อธิบายพระพุทธภาษิตคาถา ที่ยกไว้ข้างต้นนั้นว่าเอตังพยังมรเนเปคมาโนปุญญาณิคยิราถสุข้าวหานีติแปลว่าบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้ธรรมดามนุษย์เราทุกคนย่อมมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลาง มีความแตกสลายในที่สุดทุกทั่วหน้าแต่ว่าความแตกสลายคือความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวแม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ย่อมมีความตายเป็นปลายทางด้วยกันทั้งสิน้นแต่ว่าความตายนี้ควรพิจารณาว่ามีทั้งคุณและโทษสำหรับบุคคลผู้มีความคิดสั้นๆก็เป็นโทษแก่เขาทำให้ใจหดหู่ หมดกําลังใจที่จะทำคุณงามความดีอะไรๆในโลกต่อไปคือเขาไปเห็นแต่ส่วนตายฝ่ายเดียวส่วนที่ไม่ตายมองไม่เห็นความจริงของคนเราทุกคนมีเรื่องอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ตายได้หนึ่งสิ่งที่ไม่ตายนั้นหนึ่งเช่นร่างกายเป็นธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลไปจนถึงแตกสลายในที่สุดตามธรรมดาของเขา แค่ว่าตายก็ได้แต่ว่าไม่ตายก็ได้คำที่ว่าตายนั้นคือสูญหายไปจากพวกญาติมิตรอย่างที่เคยเป็นอยู่แต่สภาพของร่างกายได้แปรไปหารูปเดิมของเขาเท่านั้นเช่นธาตุดินก็แปรไปเป็นดินธาตุน้ำก็แปรไปเป็นน้ำธาตุไฟก็แปรไปเป็นไฟธาตุลมก็แปรไปเป็นลมเท่าหาที่เดิมของเขาเปรียบเหมือนก้อนน้าแข็ง ถ้าบุคคลเก็บไว้นานๆน้ำแข็งนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำตามสภาพเดิมของมันเท่านั้นฉะนั้นคนเราจะว่าตายก็ได้จะว่ายังไม่ตายก็ได้แต่ไม่คงรูปอย่างที่เราเคยเห็นโลกจึงสมมุติเรียกว่าตายนักปราชญผู้มีปรีชาญาณย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกในเรื่องความตายแต่ยังมีปัญหาอยู่ว่าความตายนั้น จะประกอบไปด้วยบุญหรือบาปเล่าอันหนึ่งส่วนจิตใจที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ยิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่ตายแต่ว่าเปลี่ยนแปลได้เพราะเหตุบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งคือแต่งภูมิจิตใจและแต่งภพชาติเช่นแต่งปุถุชนให้เป็นกาลยานชนแต่งกาลยานชนเป็นอริยชนเป็นต้น แต่งพบชาติเช่นทำกรรมดีตายไปต้องไปที่ดีมีสุขคติเป็นต้นทำกรรมชั่วต้องไปสู่ที่ชั่วมีทุคติเป็นต้นถ้าเป็นผู้บำเพ็ญความดีจนถึงที่สุดเป็นเหตุละกรรมดีกรรมชั่วเสียได้แล้วเขาจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลเลยที่เรียกว่าอมตะ ด, ดังนี้แก่คนเราโดยา่าคิดไม่ถึงความจริงมักมองข้ามความจริงไป จึงไม่ได้ไม่ถึงอรรมตาเพราะเหตุความโง่เขลาเบาปัญญาความไม่รู้มาปิดบังซึ่งเรียกว่าอาวิชชาธรรมดาจิตใจนั้นเป็นของละเอียดสุขุมมากไม่อาจมองเห็นด้วยตาได้เปรียบเหมือนไฟในอากาศเป็นของมองเห็นได้ยากบางคนอาจเห็นว่าไม่มีเลยเพราะเหตุนี้บุคคลผู้ขาดมิจารณญาณจึงเห็นว่า ตายแล้วศูนย์ดังนี้ถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งจิตใจนี้เปรียบเหมือนไฟร่างกายเปรียบเหมือนเทียนที่จุดไว้ถ้าเชื้อและไส้หมดไฟต้องดับอาการที่ไฟดับนั้นไม่ได้หมายถึงไฟศูญย์หายไปหรือไม่มีไฟเราสามารถจะจุดเทียนเต่มใหม่ได้ก็เพราะมีไฟเป็นเชื้ออยู่แล้วจึงจะจุดเทียนเมมยต็มใหม่ติดเพราะไฟที่ละเอียด ยังมีอยู่ทั่วไปในอากาศดังนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์เรานี้ก็เป็นเช่นนั้นคือเมื่อร่างกายแต ก, กสลายสูญสิ้นไปจิตย่อมก่อพบใหม่ได้อีกถ้าหากเชื้อคืออวิชชาตันหาอุปาทานเป็นมูลเหตุยังมีอยู่ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบ ร, ริษัท ต, ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รีบทาบุญกุศลไว้ให้มากเพราะบุญกุศลนําความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและโลกหน้าสมเด็จพระพุทธภาสิทธว่าสมด้วยพระพุทธภาสิทว่าสุขโคปุญญสสะอุจเตโยความสะสมขึ้นซึ่งบุญนําความสุขมาให้ปุญญสงฆ์ขั้งชีวิตขั้งขยำมหิบุญให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตและพระพุทธภาสิทธคาถาว่า บุญญาณิปะโลกัสมิงปฏิฆาห้นติปานิหนังบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขซึ่งเป็นผลเกิดจากการทำความดีความดีที่จะทำนั้นมีมากมายนักกล่าวโดยย่อมีสองอย่างคือหนึ่งบุญที่เป็นส่วนเหตุที่เราจะต้องทำขึ้นนี้หนึ่งสอง บุญอันเป็นส่วนผลคือความสุขนี้หนึ่งบุญที่เป็นส่วนเหตุนั้นมีอยู่สามอย่างคือทานใหม่บุญสาเร็จจากการให้ทานหนึ่งศีลใหม่บุญสาเร็จจากการรักษาศีลหนึ่งภาวนาใหม่บุญสาเร็จจากการภาวนาหนึ่งในพระอภิธรรมท่านกระจายบุญกริยาวัตถุเป็นสิบคือทานกระจายเป็นปฏิทานใหม่ บุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลให้ปัตตานุโมธนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการรับอนุโมทนาส่วนบุญของกันและกันสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นข่าศึกแก่อิสาความริษยาและความตรณีได้ศีลใหม่กระจายออกไปเป็นอปจายณะใหม่บุญสําเร็จด้วยการอ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคลสามจำพวกคือชาติวุตรโธ ผู้เจริญด้วยชาติหนึ่งวยวุธโธผู้เจริญโดวยวัยหนึ่งคุณวุธโธผู้เจริญโดยคุณหนึ่งวยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่เป็นกุศลด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังความคิดศีลใหม่และอภิใจชนะวยาวัจจะสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นฝ่ายจารีตศีลด้วยกัน ภาวนาใหม่นั้นกระจายออกเป็นธรรมะสวรรค์ใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุขุกกรรมการทําความเห็นของตนให้ตรงทั้งสี่อย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาได้บุญกุศลนี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นบุญเหตุ สมด้วยพระบาลีว่าอโลโพดานะเฮตุความไม่โลภเป็นเหตุให้บริจาคทานอโดโซทีละเฮตุความไม่โกรธเป็นเหตุให้รักษาศีลอโมโคภาวนาเฮตุความไม่หลงเป็นเหตุให้เจริญภาวนาดังนี้บุญกุศลที่บุคคลทําไว้แล้วย่อมทําให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจเมื่อนึกถึงคราวไหน ก็ทําให้เกิดปีติอยู่เสมอเป็นอริยทรัพย์ติดตามบุคคลนั้นเป็นประดุจเงาติดตามตัวไปอยู่เสมอไม่ลดละถึงแม่บุคคลนั้นจะตายไปบุญก็ติดตามไปตกแต่งภพชาติที่ดีให้ซึ่งเรียกว่าบุญญาพิสังขารอันหนึ่งคนที่ตายไปแล้วก็ดีหรือที่จะตายต่อไปก็ดีเปรียบเหมือนบุคคลจะเดินทางไปต่างประเทศก่อนจะไป ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจึงจะสะดวกสบายในการเดินทางเช่นนำเงินไปฝากธนาคารเปลี่ยนสภาพเงินไทยให้เป็นเงินต่างประเทศเสก่อนจึงจะใช้ได้ในต่างประเทศถ้าถือเอาเงินไทยไปจะใช้ไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดบุคคลผู้ตายแต่โลกนี้ไปจะถือเอาเงินทองพัสดุสิ่งของติดตัวไปเพื่อใช้ในโลกหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาด ในเมื่อมีชีวิตอยู่นำไปฝากไว้ในธนาคารของชาวพุทธเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งได้แก่การบริจาคให้เป็นพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังฆบูชาเป็นต้นทรัพย์เหล่านั้นจึงจะใช้ได้ในโลกหน้าดังนี้ถ้าบุคคลมีแต่ทรัพย์ปลอมๆคือทำแต่บาปอากุศลไว้เมื่อตายแล้ว จะไปสู่สถานที่มีความสุขความเจริญก็ไปไม่ได้เพราะขาดทรัพย์จะกลับมาสู่มนุษย์สโลกอีกก็มาไม่ได้เพราะขาดทรัพย์คือมนุษยธรรมจําเป็นต้องกลายเป็นผูดผีปีศาจเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์เข้าสิงเข้าทรงหลงทิศหลงแดนไปได้รับความลำบากมากเหตุนั้นการทำบุญไว้ได้แก่ทานการบริจาค ก็เหมือนกับเราได้ฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารเพื่อใช้สอยในต่างประเทศนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นต้องมีหนังสือเดินทางเป็นเครื่องแสดงสัญชาติว่าเราเป็นคนชาติไหนมีหลักฐานแน่นอนได้แก่การตั้งอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบอันเกิดขึ้นทางกายวาจาเป็นการแสดงสัญชาติ ของพุทธบริษัทข้อที่สามนั้นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจะสะดวกได้แก่การเจริญภาวนาคือธรรมะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดคือนิวร์ไปจากใจทำจิตใจให้ตรงเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดวิชาสามขึ้นในใจคือ 1. ปุกเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติของตนเองในภพหลังได้สองจุตูปปาตญาณกำหนดรู้คติต่างๆของสัตว์ทั่วไปเช่นตายอยู่เกิดอยู่ทั่วๆไปเลวสามประณีดสุขทุกข์เป็นมาเพราะเหตุอะไรก็ทราบได้ในทางจิต 3. อามสวะคขยะญาณมีความรู้เกิดขึ้นในทางจิตเป็นเหตุให้ชำระอาสวกิเลสเครื่องหมักดองให้สิ้นไปตามกาลัง ของวิชานั้นนี้นนแหละคือภาษาต่างประเทศสาหรับพวกพุทธบริษัทจะไปกันอย่างสนุกสนานและสว่างสวยัยตามรายทางก็บริบูรณ์ด้วยทรัพย์จะได้เห็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นคือสวรรค์และนิพพานสมความปรารถนานี่แหละที่ว่าไปดีแม้จะอยู่ก็ดีอยากกลับมาก็มาได้ถ้าไม่อยากกลับก็เรียนภาษาวิชาเพิ่มเติมให้ถึงที่สุด กล่าวคือนิพพานพ้นจากการเบียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงความเกษมสําราญนิราชภัยทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้ย่อมอํานวยวิบากสมบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับสมบัติทั้งสาประการคือมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติตามกําลังความสามารถของตนบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งสามประการ ชื่อว่าผู้ไปดีผู้มาดีและผู้อยู่ดีเพราะเป็นผู้มีกายวาจาและใจดีจะไปอยู่ที่ไหนไหนก็ปราศจากเวรไภในที่ทั้งปวงเป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายทุกวันเวลา นาทีจะลบหนีไปไม่พน้นจึงสมควรสร้างกุศลทั้งสามประการมีทานศีลภาวนาให้เกิดมีขึ้นในตนผลความดีคือความสุขเกษมสารก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังความสามารถของตนสมดังความมุ่งมา่นปรารถนาธรรมเทศนาวสาเนในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอให้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิ ที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลณเวลาวันนี้หรือได้บำเพ็ญมาแล้วในวันอื่นๆก็ดีจงตั้งใจนึกแผ่ผลบุญกุศลที่ได้ทำแล้วนี้ไปยังท่านผู้ร่วงลับไปสู่ปรโลกให้ได้รับการอนุโมทนาเพื่อสำเร็จประโยชน์สุขแก่ท่านตามสมควรแก่คติพบที่จะพึงเป็นไปได้นั้นเถินจังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการชนีเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้โอวาทบางตอนของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการามหนึ่งจเป็นอยู่บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตนของตนไปตกอยู่ในถิ่นใดๆก่อนจะหนีไปจากถิ่นนั้นๆ ก็ควรที่จะกลายความดีไว้เสียก่อนจึงค่อยไปความดีอันใดก็ตามเป็นไปเพื่อโลกหรือเพื่อธรรมถ้าเห็นว่าตนพอทำได้ก็ควรจัดทำขึ้นสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นย่อมเป็นอนุสร์แก่เราทั้งหลายตัวเราตายหนีไปจากโลกนี้แล้วลูกเรายังหลานเราอยู่ชื่อเสียงเรายาวขอท่านทั้งหลาย จงคิดอย่างนี้สศาสนาเป็นของของโลกไม่ใช่ของโดยเฉพาะสำหรับประเทศใดเมืองใดหรือบุคคลใดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศาสนาไว้ครอบโลกทั่วถึงกันหมดฉะนั้นเราอย่านึกประมาทว่าตัวเราคนเดียวนี้จะช่วยพระศาสนาได้อย่างไรต้องเข้าใจว่า ตัวเราคนเดียวนี้แหละเมื่อทำความดีแล้วย่อมเป็นการช่วยคนได้ทั้งหมู่สามคนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วคนที่ชั่วก็มีดีอยู่บ้างไม่ได้ชั่วไปเสียทั้งหมดต้องมองดูเขาในแง่ดีบ้างเหมือนลูกไม้บนตั้งย่อมมีผลไม่เสมอกันคนก็ไม่เสมอกัน แต่ต้องทำใจของเราให้เสมอไว้ใจเราบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีฉะนั้นจงทำใจของเราอย่าให้มีโกรธโลภหลงใครทำได้ก็จะได้บรรลุผลตามสมควรแก่การปฏิบัติสการบำเพ็ญบุญกุศลย่อมเกิดได้จากทางกายทางวาจาและ ทางใจของเราทางกายวาจานับเป็นกุศลส่วนยาบและส่วนกลางได้แก่การบำเพ็ญทานและศีลเป็นต้นส่วนที่ละเอียดนั้นคือการบำเพ็ญกุศลทางใจได้แก่ภาวนา 5. าทานที่พร้อมด้วยองค์สีคือหนึ่งวัตถุสมบัติได้มาด้วยความสุจริตสอง เจตนาสมบัติประกอบด้วยใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง 3. คุณสมบัติผู้ให้ต้องมีกายสุจริตสาวจีสุจริตสี่และมโนสุจริตสและสผู้รับก็ต้องมีคุ ณ, ณธรรมคือสินห้าสินแปดสินสิบและสินสองอยี่สิบเจ็ดเป็นต้น ตัวผู้ให้มีองค์สามก็เหมือนกับก้อนเศร้าสามก้อนผู้รับมีอีกอง์หนึ่งก็เป็นภาชนะที่วางบนก้อนเศร้าเมื่อทานนั้นประกอบด้วยองค์สี่ดังนั้นเมื่อใดพระพุทธเจ้าทรงสันเสริญว่าเป็นฐานอันเลิศของดีนั้นทำนิดเดียวก็เป็นมากของไม่ดีทำมากก็เป็นน้อยของดีด้วยทามากด้วย ยิ่งดีเลิศหศีลเป็นส่วนสําคัญถ้าศีลไม่มีจะไปสร้างความดีทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่คงสรรเสริญคนทําทานสักแสนครั้งถ้าไม่มีศีลแล้วก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้ศีล น, นี้จะมีเท่าไหร่ก็ตามรวมลงในข้อใหญ่ก็มีสองอย่างคือกาละศีลอย่างหนึ่งนิจศีลอีกอย่างหนึ่ง คนที่รักษาได้บางการบางเวลาไม่เสมอไปก็เหมือนมืดบ้างแจ้งบ้างจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองยี่สิบเจก็ตามเมื่อรักษาไว้ไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นกาลศีลทั้งสินส้นนิจจะศีลคือสามารถปฏิบัติไปจนตายโดยไม่ล้มความตั้งใจเลยจะเป็นศีลอะไรก็ตามก็ตั้งใจปฏิบัติไปจนตาย จนเผาไฟเลยไม่เลิกไม่รือ้อไม่ถอนดีอย่างนี้ดีมากแต่ไม่ว่าศีลอะไรต่างกันโดยชื่อและอนิสง์เท่านั้นศีลมีลักษณะเป็นสามอย่างศีเลนะสุขติันติศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุขตินี่เป็นศีลของเทวดาศีเลนะโพคสัมปทาศีล เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโพกัซซัพนี่เป็นศีลของมนุษย์ศีเลนะนิพุติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนี่เป็นศีลของอริยชนเจ็ดภาวนาเป็นยอดของการบุญคนมีศีลแต่ไม่มีภาวนาก็ไปนิพพานไม่ได้การภาวนาเป็นบุญอย่างยอดเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่นั่งให้สบาย จะขัดสมาธิหรือพักเทียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแก่สถานที่และสังคมมือขวาวางทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งใจหายใจเข้าออกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธุดงหรือเป็นของพระของเนนของคนโง่คนฉลาดหรือคนมีคนจนแต่เป็นของซึ่งทุกคนทุกเพศ ทุกชั้นทุกวัยจะทําได้คนเจ็บไข้นั่งนอนอยู่กับบ้านก็ทําได้และทําได้ไม่เลือกการเลือกเวลาทานไม่สามารถจะคุ้มศีลได้แต่ศีลคุ้มทานได้ส่วนภาวนาคุ้มได้ตลอดทั้งฐานและศีลสามารถทําให้ทานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุด 8. การนั่งภาวนานี้มีข้อสำคัญที่จะต้องทำอยู่สาข้อคือหนึ่งลมหายใจให้เป็นวัตถุที่ตั้งของจิต 2. สติคือการนึกถึงคำภาวนาพุทธหายใจเข้าโทหายใจออก 3. ทํทำจิตให้อยู่กับลมกับคำภาวนาทำลมให้สบายทำจิตให้สบาย อย่าสะกดลมอย่าสะกดจิตทาจิตของตนให้เที่ยงตรงไม่วอกแวกสติอยู่กับลมเรียกว่าอนาปานาสติสติอยู่กับกายเรียกว่ากายคตาสติถ้ามีสติอยู่กับกายและจิตอยู่เสมอก็เรียกว่าจเจริญกรร ม, มฐานอย่างที่เรานั่งภาวนากันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรานั่งทำงานคือ ทำกรรมฐานผลที่เกิดจากกรรมฐานคือทำให้บาปทางใจสงบไปหมดและทำให้ธาตสงบไปทุกๆกกองจิตของเราก็โปร่งว่างเหมือนทะเลที่ไม่มีคลื่นคือลมก็สงบน้ำก็ราบเรียบอากาศก็ใสา 9. าในการภาวนาหรือการบำเพ็ญสมาธิให้พยายามใช้สติ กำหนดตามลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตแล้วภาวนาในใจพุโทโธพุโทโธให้พุทธตามเข้าไปกับลมหายใจเข้าทุกครั้งและโทก็ตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทุกครั้งไปจนกว่าใจจะอยู่นิ่งค่อยๆทิ้งคาภาวนา ต่อจากนี้จงสังเกตดูลมหายใจเข้าออกว่าช้าเร็วยาวสั้นหนักเบากว้างแคบหยาบและเอียดอย่างไรถ้าอย่างใดดีเป็นที่สบายก็จงรักษาลมนั้นนั้นไว้ให้คงที่ถ้าอย่างใดไม่ดีไม่สะดวกไม่สบายก็จงปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งให้พอดีต้องคอยระวังจิตอย่าให้วอกแวก หวันไหวและแตะายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกวางใจเฉยเหมือนกับมีตัวเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกกระจายลมหายใจออกไปให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายสูบลมหายใจให้ยาวๆเข้าไปในตัวจนเต็มอิ่มกายก็จะเบาโปร่งโล่งใจก็เย็นเหมือนกับน้ำเป็นเหตุให้ดวงจิตเกิดความสงบไรวุ่นวายปราศจากทุกภัยใดๆ ที่สุดอบรมสมาธิโดยพระสุทธิธรรมมรังสีคัมภีระเมธาการ ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีเจริญสมาธิพอสมควรกล่าวคือการนั่งสมาธินั้นเป็นปุญญาอิริยาภัตถุประการหนึ่งกิริยา ได้แก่การนั่งหลับตาขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงไม่คดไม่งอเวลาที่เราหลับตาให้หลับแคบเหลือกตาอย่าหลับจริงๆอย่างคนนอนหลับต้องให้ประสาทตาทำงานบ้างมิฉนั้นจะทำให้ง่วงกิริยาอย่างนี้เป็นอาการแห่งความดี แต่ไม่ใช่ตัวดีเมื่อทำตนไดเช่นนั้นแล้วต้องประกอบไปด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งจิตที่เรียกว่าวัตถุสมบัติและเจตนาสมบัติคือตั้งใจนึกถึงลมหายใจเข้าออกปรับปรุงลมหายใจให้สะดวกสบายประคองไว้ด้วยดีไม่ให้ผิดพลาดเมื่อทำได้ด้วยดีอย่างนี้แล้ว ย่อมเกิดประโยชน์ขึ้นทางร่างกายและจิตที่เรียกว่าบุญหรือคุณสมบัติอันเป็นส่วนผลได้แก่ความเย็นความสุขและความสะดวกสบายความอิ่มความเต็มในเวลาที่เรานั่งให้คอยสังเกตดูว่าใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกหรือไม่ต้องมีสติคอยกำกับจิตเช่นเวลาหายใจเข้าให้ระลึก พุเวลาหายใจออกให้ระลึกโทตั้งสติอย่าให้เผลออย่าให้ลืมปล่อยวางภาระทั้งหลายและปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆออกให้หมดสิน้นทำใจให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องเดี๋ยวดูอย่างอื่นแต่โดยมากในเวลาที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็มักจะมีสัญญาอาดีตอนาคตเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาตัดทอนและทำลายคุณความดีของเราอยู่เสมอสัญญาทั้งหลายจะเป็นเรื่องเก่าแก่ที่แล้วมาหรือจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มาถึงก็ดีเป็นเรื่องโลกก็ดีเป็นเรื่องธรรมก็ดีไม่ใช่เป็นของดีทั้งสิ้นมีแต่จะเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์โทษให้แก่ตัวเราทำให้ดวงจิตเกิดความไม่สงบวุ่นวายฟุ้งซ่านเกิดร้อน หาความเย็นใจไม่ได้เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ย่อมจะล่วงเลยไปแล้วจะดีหรือทั่วก็แก้ไขไม่ได้และเอากลับคืนมาอีกไม่ได้เรื่องข้างหน้าที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงและไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นไปตามความนึกคิดของเราได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยังอยู่ไกลและยังเป็นความสงสัยลังเลไม่แน่นอน ฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การคิดนึกของเราเลยเหตุนี้จึงต้องคอยจับดวงจิตให้เข้าไปอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ท่านสอนให้ทำภาวนาโดยเอาจิตมากำหนดไว้ที่ลมหายใจแห่งเดียวการที่เรานึกถึงลมหายใจนี้ท่านเรียกว่าวิตกคือที่เราหายใจพุทธเข้าโทออกดูอย่างนี้แหละ เมื่อเราจะเอาส่วนวิจาร์เข้ามาแทนก็ให้ปล่อยวิตกคือคําว่าพุทโธนั้นเสียแล้วก็จงสังเกตว่าอาการหายใจเข้าออกนี้เกิดความกระเทือนไปถึงไหนเวลาหายใจเข้าไปรู้สึกสบายหรือไม่สบายเวลาหายใจออกมาเรารู้สึกสะดวกหรือไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกสบายก็ให้ปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่เมื่อเราประคองจิตอยู่เช่นนี้ ก็ปล่อยพุโทโธไปไม่ต้องใช้ลมที่หายใจเข้าไปก็จะกระจายแผ่ซ่านไปทั่วตัวด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราปล่อยการวิตกบางส่วนเช่นวางคำภาวนาพุโทโธเสียเหลือแต่การกำหนดลมหายใจแล้วความตรวจรองมีมากขึ้นความไหวตัวของจิตก็ลดลงและจะ ก, กลายเป็นสมาธิจิตไปอารมณ์ทั้งหลายก็ดับ ความดับนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราหูดับหรือหูตึงอาการที่ดับนี้คือเราไม่ได้ยกจิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอกทั้งอดีตอนาคตตั้งอยู่แต่ในปัจจุบันอย่างเดียวการกําหนดลมหายใจนี้ถ้าเราคอยหมั่นสังเกตดูการเดินของลมอยู่เสมอแล้วเราจะรู้ว่าลมที่หายใจเข้ามานั้นเป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบาย หายใจเข้าอย่างไรเราจึงสบายหายใจออกอย่างไรเราจึงสบายหายใจอย่างไรเราจึงอึดอัดไม่สบายให้พยายามปรับปรุงทําความสบายให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้คอยหมั่นสํารวจและพิจารณาอยู่เช่นนี้ก็จะเป็นสติสัมปชัญญะกํากับอยู่กับตัวเราสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นบิชาก็จะเกิดขึ้นในตัว วัดพิเศษของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมตตาจารยร์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามยี่สิบสองกันยายนสองพันีร้อยเก้าสิบก้า ค่ำวันหนึ่งภายหลังจากที่ท่านพ่อได้นำพระภิกษุประมาณสี่รูปไปสวดมนต์ชยันโตในพิธีปลูกหน่อสีมห า, าโพต้นน้อยๆเยื้องศาลาไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วท่านได้ขึ้นมาประชุมให้อวว า, าสณโอนศาลาหลังเก่าโดยมีสารุสิ์นั่งอยู่ไม่กี่คนท่านได้ปรากฏถึงเหตุที่คิดทำการจะลองสมโพธ คืนพุทธการว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตไม่สามารถจะเล่าละเอียดให้สานุสิตทั้งหลายฟังได้แต่ต้นเหตุนั้นท่านได้เริ่มดำริครั้งแรกตั้งแต่พศ2493ซึ่งประจำพรรษาอยู่ณเมืองพาราณสีในประเทศอินเดียคืนนั้นท่านได้ไปนั่งอยู่ที่กำแพงแก้วเวลาประมาณย0สบนาฬิกาเศษ ได้พิตกในเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา3ข้อคือ 1. วัตถุซึ่งเป็นปูชนียสถานแห่งพระพุทธศาสนา 2. คํคำสอนซึ่งพระสงฆ์ได้สวดประจําในโบสถ์วิหารทุกๆวัน 3. ผู้ซึ่งจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพ่อมีความห่วงใยในเรื่องของศาสนา3ข้อนี้มาก ในความที่จะเสื่อมไปองค์ท่านเองก็เหน็ดเหนื่อยมากและเกือบจะท้อในการสอนคนหนีไปทำความเพียรองค์เดียวในป่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถละทิ้งงานอันนี้ไปได้สิ่งสำคัญที่ท่านพ่อประรับต่อไปอีกก็คือเรื่องที่จะทำงานใหญ่คือการทำพิธีฉลองสมโพธ25พุทธศตรวรรษซึ่งเป็นภาระอันหนัก อย่างยิ่งอันหนึ่งสำหรับองค์ท่านถ้าทำได้เป็นการสำเร็จสมใจถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพียงหกสิบเปอร์เซนขึ้นมาก็ยังพอใช้ได้ถ้าทำไม่ได้สมใจแล้วท่านก็จะต้องไปทำส่วนองค์ของท่านใหม่อีกครั้งณประเทศอินเดียงานที่จะทำขึ้นคราวนี้เป็นธรรมดาที่จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ถ้าสานุสิ์มีความสามคัคคีพร้อมเพรียงช่วยกันด้วยดีทุกคนงานก็จะสำเร็จเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะส่วนที่จะเสียหายนั้นก็ไม่ได้เกิดมาแต่อื่นไกลดอกเกิดจากสานุสิษ์นี่เองฉะนั้นจึงอย่าทําตัวเป็นลูกข้าพ่อและอีกตอนหนึ่งท่านปรารบว่างานคราวนี้เราเอาหัวแรกเพื่อหมู่แต่อยากรู้ว่า มีใครบ้างที่จะตอบแทนเราได้ให้สมกับคอของเราคำพูดทั้งหมดนี้หมายความว่าท่านพ่อต้องแบกภารกิจอันหนักเพื่อเป็นผู้นำให้พวกเราได้สำเร็จในการบุญอันใหญ่ยิ่งครั้งนี้และต้องฝ่าอุปสรรคอันตรายหลายอย่างดุดเอาศีรษะของท่านเข้าไปแลกฉะนั้นลูกคนใดจะมีความเห็นใจ และประทำความดีให้สมกับความเสียสละของท่านพ่อบ้างอีกตอนหนึ่งท่านได้ปรากฏว่าถ้าปฏิบัติให้เป็นที่พอใจก็เท่ากับต่ออายุของเราให้ยาวออกไปถ้าปฏิบัติไม่เป็นที่พอใจก็เท่ากับฆ่าเราให้ตายไปจากกันถ้อยคำเหล่านี้พวกเราสาธุรสิทธิ์ควรจับต้องสังวรไว้เสมอ และท่านได้ให้กติสำคัญไว้ข้อหนึ่งสำหรับไม่ให้พวกเรามีความประมาทในการงานทุกอย่างที่จะช่วยกันดำเนินต่อไปเพราะงานนี้อาจมีภัยอันใดอันหนึ่งมาแทรกแสงก็ได้โดยเราไม่มีสติรู้ตัวทันฉะนั้นท่านจึงย้ำในตอนสุดท้ายว่าจงเป็นผู้สำรวมระวังและตื่นกระโดดอยู่เสมออย่างนกกระทา อย่าวางใจใครและต้องพากันนึกทุกคนว่าเราจะทำงานอันนี้เพื่อหนึ่งช่วยหมู่คณะสองเพื่อเกียรติพระศาสนาและสเพื่อรักษาข้อปฏิบัติของตัวเราให้ไปสู่จุดหมายคือพระนิพพาน วาดวันสุดท้ายของงานฉลองสมโพธิ25พุทธศตวรรษณวัดอโศการาม29พฤษภาคมพุทธศักราช2500 จุดเดียวสามารถฆ่าคนได้ตั้งหลายร้อยหลายพันคนความดีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำให้ได้จริงชั่วขณะจิตเดียวก็ย่อมจะสามารถขับไล่กิเลสทั้งหลายให้พินาศไปได้แล้วเราก็จะได้แลเห็นอนิสงของความดีนั้นว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้สามารถกำจัดทุกได้จริงกำจัดภัยได้จริง และกำจัดโรคได้จริงความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจมันภาคเพียรประกอบให้ดีขึ้นก็จะเป็นเครื่องขับต้อนความดีทั้งหลายให้เข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพ่บุ์เราก็จะมีความสุขกายสุขใจทุกขณะที่ยืนเดินนั่งนอน 2. วันนี้เป็นวันสิ้นสุดของงานฉลองสมโพธิยห้าพุทธศตรวตรร์แล้วเราทั้งหลายต่างก็จะแยกย้ายจากกันไปคนละทิศละทางแต่ก็อยากเข้าใจว่าเราจะห่างไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พุทธโธธรรมโมสังโฆจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งในเมื่อเราน้อมรับจดจำท่านไป และปฏิบัติตามคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนโอวาส23วมิถุนายน 2,501 วัดอโศการามหนึ่งราคักคินาโทศักคินาและโมหักคีนาคือไฟสามกองตอนแรกๆไฟนี้ก็จะให้ความอบอุ่นสบายเหมือนกับคนที่นั่งผิงไฟในฤดูหนาวผิงไฟผิงไฟก็เพลินไปทุกทีพอเผลอตัวก็ไม่มือไม่เท้าพองไม่รู้สึกในที่สุด ก็จะขำมำลงไปในกองเพลิงทั้งตัวเลย 2. ความสุขของชาวโลกนั้นเขามองกันแต่เพียงผิวเผินเหมือนข้าวสุกที่วางอยู่ในจานเมื่อถามว่าข้าวสุกนั้นดีอย่างไรคนเราทุกๆคนก็จะต้องพากันตอบว่าข้าวสุกนั้นมันกินอร่อยดีและอิ่มด้วยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตอบเช่นนั้นพระองค์ทรงตอบ ทั้งเวลาที่กินเข้าไปและทั้งเวลาที่มันกลับออกมาด้วยฉะนั้นความเห็นของพระองค์จึงประกอบไปด้วยทั้งเหตุและผลไม่ทรงมองอะไรด้านเดียวสพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขที่เป็นความราบรื่นชื่นบานตามธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ใช่สุขที่ถาวรพระองค์ทรงปรารถนาความราบรื่นชื่นบานที่ไม่ใช่เป็นไป ตามโลกิยาวิสัยอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเขาต้องการกันเหตุนั้นพระองค์จึงทรงเีง๋หนีออกจากหมู่และเสด็จไปประทับวิเวกตามลําพังทรงปรารับพระองค์เองว่าเราเกิดมาก็คนเดียวตายก็คนเดียวไม่มีใครจ้างให้เรามาเกิดและก็ไม่มีใครจ้างให้เราตายเราจะไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดการกระทําของเรา ้าสิ่งใดมันผูกกับโลกแต่ผิดกับความจริงและผิดกับใจของตอนเองแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่ทําเป็นอันขาดพระองค์จึงทรงตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าการที่เจ้ามาเป็นมนุษย์กับเขานี้เจ้าต้องการอะไรที่เป็นของวิเศษที่สุดในโลกเมื่อถามดังนี้แล้วก็ทรงคาดคั้นต่อไปอีกว่าการตอบปัญหานี้ จะต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมจริงๆต่อตัวเองและเมื่อตอบแล้วจะถือเป็นกฎหมายตายตัวผูกมัดปิดประทับตราแน่นโดยไม่ยอมให้มีดวงตราอื่นใดมาประทับซ้อนเป็นดวงที่สองอีกเลยเธอต้องการอะไรอย่างไหนต้องตอบมาให้จริงนะตอบไม่จริงไม่ได้และเมื่อตอบอย่างใดแล้วเธอก็จะต้องทำอย่างนั้นอย่าทรยศ ต, ต่อตัวเองด้วย เมื่อได้แน่พระไทยในสัตยธรรมแล้วก็ทรงตอบกับพระองค์เองว่าท่านเอ่ยสมมณะโคดมต้องการความบรมสุขนอกจากสิ่ง น, นี้แล้วเราไม่ต้องการสิ่งอื่นในโลกและเมื่อพระองค์ทรงให้คำสัตย์แก่พระองค์เองดังนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ลบล้างคำตอบอันนี้เลยทรงรักษาสัจจะไว้มั่นคงสิ่งใดซึ่งจะเป็นความทุกข์แก่ดวงพระหฤทัย ของพระองค์เองแม้แต่น้อยแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเจ็บเข้ามาให้ติดเปื้อนอยู่ในพระหฤทัยเลยตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่แม้จะยากง่ายอย่างไรก็ไม่ทรงท้อถอยเลยจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุแจ้งในจัจธรรมณวนะันเพ็นกลางเดือนหกนั้นสี 4. พวกเราทั้งหลาย ไม่มีความสัตว์ความจริงต่อตัวเองจึงไม่ได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระองค์เราบอกกับตัวเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนๆเรารู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง วาดในวันบรรจุพระบรมสารีริกทาตณถ้ำพระสบายลำปาง1กรกฎาคม2501หนึ่งนักปราชญ์ท่านสอนให้แผ่เมตตาให้มากๆให้ใช้ความดีในการท่องมนต์บ้างสวดมนต์บ้างถ้าตัวใช้เมตตาของตัวยังไม่เป็นก็ให้ไปรวมกับคนที่เขาใช้เป็นจึงจะได้ส่วนเย็นนิดๆหน่อยๆ เหมือนคนที่ใช้เงินไม่เป็นแต่เข้าพุ้นค้าขายกับคนอื่นเขาก็จะพลอยได้กำไรไปด้วยสองพระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาเสมอไปทิศไหนก็เข้าเป็นบาทยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์เหมือนต้นไทรย่อมเป็นที่อาศัยร่มเย็นแก่งูเขา่าจิ่งจกลูกแก่จะมดเม่นนกสาริกานกเขาแมวลูกไทรสุข ก็เป็นอาหารของนกทั้งหลายให้กินแล้วก็บอกว่าพวกท่านเองก็อย่าเบียดเบียนกันแบ่งกันกินแบ่งกันปอกเมื่ออิ่มแล้วก็ไปเถิดขากไปให้ลูกเมียแล้วก็จงบอกข่าวให้มาที่ต้นนี้เถิดมีอาหารสมบูรณ์ดีเมื่อสัตว์ต่างๆหนีไปแล้วก็แผ่ให้ถึงชาวบ้านและฝูงโจรต่อไปอีกไม่เลือกหน้าให้เป็นสุขทั่วๆกัน สามใจที่มีกิเลสรกรุงรังเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเหตุให้ไฟไหม้หรือเป็นที่อาศัยของตะเข็บตะขาบและงูพิษความรุงรังเป็นอย่างนี้และเมื่อตั้งไว้ข้างบันไดสุนัข ก, ก็จะมาที่ใส่อีกจึงย่อมเกิดโทษได้ต่างๆเหตุนั้นเราจึงควรเก็บอยากเยื่อออกให้หมด จะได้เป็นที่บรรจุพระธรรมซึ่งเรียกว่าแก้วคือพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังอันเป็นแก้วสูงสุดยิ่งกว่าแก้วของจักรพรรดิธรรมทั้งหลายก็สูงเสมอแก้วหรือสูงกว่าสงทั้งหลายก็เหมือนแก้วอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่ายังกินจิรัตนังโลเกรัตนะใดๆในโลกหรือทรัพย์ทั้งหลาย ที่มีมากมายก็จริงแต่จะให้มีค่าเสมอด้วยธรรมนั้นไม่ได้เลยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นของมีค่าสูงสุดยิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกเพราะเหตุนี้เมื่อบุคคลใดได้รัตนะทั้งสามนี้ไปอยู่ในดวงใจของตนแล้วบุคคลนั้นย่อมสวัสดีตลอดกาลนี้พูดถึงธรรมะ ที่เข้าไปอยู่ในดวงจิตของคนที่ว่างเปล่าไม่ใช่อยู่ในคนที่รกรุงรังเหตุนั้นท่านจึงชักชวนให้พวกเราพากันปลดเครื่องความรกรุงรังคือนิวรณธรรมออกเสียทำดวงจิตของเราให้เที่ยงไม่ให้ไปหน้ามาหลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ตรงไปตั้งประดิษฐานอยู่ในดวงจิตของบุคคลผู้นั้นที่เรียกว่า อริยทรัพย์สอริยทรัพย์นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าคือธรรมะที่เกิดในดวงจิตของตนอย่างหนึ่งประการที่สองเกิดจากการฟังคำตักเตือนและปฏิบัติตามพวกเราก็เปรียบด้วยศาสตร์พยาบพุทธชิโนรสคือพวกเราได้เป็นลูกพระตถาคตโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นกษัตริย์เรียกว่าพระมหาราชา ถ้าอยู่ไปอีกไม่กี่วันสมบัติากาพัตน์ก็จะมาถึงในเจ็ดวันชิโนรถนั้นหมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงบวชในศาสนาจึงมีชัยชนะปราบผูงมารต่างๆให้หมดไปทีนี้เราก็ปราบกิเลสของเราบ้างได้ชื่อว่าผู้ชนะใจคือทำกิเลสให้ขาดหายไปเป็นห้วงๆเราก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสกุลกษัตริย์เหตุนั้น เราจะมาแต่งตัวมอมแมมไม่สมควรเราไม่ใช่ลูกไพร่ลูกอนาถาควรหาความดีใส่ตัวแสวงหาอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในตนอริยทรัพย์นี้มีอยู่เจ็ดประการกล่าวสั้นๆเพียงอริยทรัพย์ได้แก่บุญทั้งหลายที่เราสร้างส่วนวัตถุที่ทำไปนั้นเป็นโลกียทรัพย์คือของไม่มีเจ้าของแน่นอนวันนี้เป็นของเรา รุ่งนี้เขาเอาไปบางคราวเป็นของเราบางคราวเป็นของเขาแม้จะอยู่ในปัตภีหนาแน่นก็ไม่ยับยั้งตั้งอยู่ได้เช่นสวนนาเมื่อใครมาบ่มตัวให้มีปัญญาให้เห็นว่าโลกีไม่แน่นอนแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าท่านจึงเตือนให้พากันทำพืชผลให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของตนเสียถ้าตนไม่ทา ก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นแน่นอนคือเราพากันจับจองที่ดินไร่นาเลือกสวนทําพืชผลให้เต็มเสียมิฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จะหมดสิทธิ์ถ้าตนไม่ปลูกพืชพันธุ์ในกําหนดก็หมดสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแม้จะเป็นความก็ไม่ชนะเรียกว่าไม่ทําสถานที่ให้เป็นผลปราบใตคนเห็นไผ่ในพื้นที่ว่างรีบจัดการปลูกสร้าง วางผลแล้วรัฐบาลก็จะได้ออกโนดให้เป็นหลักฐานวัตถุ ก, ก็เช่นเดียวกันต้องนำไปบาเพ็ญทานจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนแล้วก็จะมีสิทธิในทรัพย์นั้นๆกลายเป็นอริยทรัพย์ประเสริ t นักหนาสามารถอํานวยผลให้ตนในชาติหน้าได้วัตถุสิ่งของนั้นปีมากกล่าวสั้นๆก็คือปัจจัยสี่ สิ่งที่จะถวายแก่พระสงฆ์คือหนึ่งอาหารสองจีวรผ้าผ่อนท่อนสบัยสาเศนาสนะที่อยู่สกีลานะเภสัตมียากแก้โรคต่างๆเนยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นก็นำมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเสียก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ของตน เมื่อใครทำอย่างนี้ทำน้อยก็จะได้ผลมากเหมือนปลูกข้าวโพดเมล็ดเดียวจะเกิดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าฝักแต่ละฝักก็มีผลหลายสิบเมล็ดสุดแต่สถานที่ของตนจะดีหรือไม่ดีเมื่อพวกเราทำครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ตามผลก็ย่อมทวีคูณเหมือนพวกเราหวานข้าวกบมือเดียวได้ข้าวเต็มนา ขงเผากมือเดียวได้เต็มหม้อคือเราเห็นพลานิสงอันใหญ่ก็จะกลายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาดังนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างที่พวกเราพากันฉลองโบทเจดีคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูปเจดีและพากันปลูกต้นสีมหาโพธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ตัดรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไว้ในลานวัดเป็นต้นผู้มีทรัพย์น้อยก็พากันทำทางกายช่วยเหลือวิ่งเต้นยอมตนเป็นคนหาหามน้ำท่าของกินของใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลของตนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นอริยทรัพย์นับไม่ถ้วนนี่กล่าวถึงด้านวัตถุถ้าเราทาถูกก็เป็น พุทธปูชามหาเตชวันโตประการหนึ่งประการที่สองถวายเคารพปูชาในพระธรรมคือมีการสวดมนต์ฟังเทศก็จะมีสติปัญญาในชาติหน้าสมกับพระคาถาที่ว่าธรรมอูชามหาปัญโยใครบูชาพระธรรมก็จะพ้นจากความโง่เขลาเกิดมาจะศึกษาทางโลกก็หลักแหลมทางศาสนา ก็สามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ประการหนึ่งประการที่สามเมื่อใครมาตั้งใจถวายทานเป็นสังฆบูชาก็ได้แก่ถวายจะตุปัจัยมอบไว้ในพระศาสนาเพื่อถวายพระสงฆ์สี่อย่างคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ท่านพวกนี้ก็เป็นสมบัติของศาสนาแต่ สมมุติสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นตัวแทนสำหรับรักษาทรัพย์ของสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่สู้สนใจปฏิบัติให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อศาสนาประเภทที่สองตั้งใจปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆสมมุติสงฆ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานรับฝากทรัพย์ของญาติโยมสงฆ์ทั้งหลายเป็นกรรมการ สำมะเน็ตกเปรียบเหมือนพันโรงถ้ากรรมการเหลวไหลนําไปขายหรือกินสินบนทุกศินทุนก็จะได้น้อยกําไรก็จะหายธนาคารศาสนานี้หากกรรมการคนใดปฏิบัติงานโดยการโกงช่อเลอะเทอะแล้วในที่สุดธนาคารก็จะต้องล้มละลายหายสูญถ้าสมผานซึ่งเปรียบเหมือนประธานกรรมการเป็นคนเหลวไหลแล้ว ญาติโยมที่นำทรัพย์มาฝากก็จะต้องผิดหวังหน้าแห้งบ้านก็พังทรัพย์ก็เพหมดกำลังใจหมดศรัทธาที่จะมาทำบุญอีกต่อไปถ้าธนาคารวัดไหนประธานกรรมการสมผานก็เป็นคนซื่อตรงกรรมการพระก็ไม่เสี่งลีผานโรงสมเนณฑก็ประพฤต์ตามโอวาทธนาคารนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนคือพวกญาติโยมทั้งหลาย ก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจพากันนําวัตถุเข้าของทองเงินมาฝากไว้เพื่อความปลอดภัยของเขากล่าวคือพากันทําบุญกุศลอย่างวัดนั้นๆถ้าประธานกรรมการก็เป็นคนโกงกรรมการก็เกยผ่านโรงก็เกตัดธนาคารนั้นต้องล้มแน่คือวัดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้สมผ่านโกงก็คือเขานําอะไรมาถวายสงศ์ ก็ถือเอาว่าเป็นของกูของกูแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนมีความโลภอยากได้ไม่ว่าอะไรพระเนนก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เป็นไปตามสมณววิัยกินแล้วก็นอนไม่สวดไม่เรียนไม่ดูแลรักษาวัดว่าอาวาดทรัพย์ของวัดก็ต้องสูญสงก็ชิบหายสมผ่านที่โลกนั้น คือสิ่งใดก็ยึดว่าเป็นของตนหมดไม่อยากแจกจ่ายเจือจานคนอื่นเมื่อสมผานทําได้ลูกน้องก็ต้องทําได้อย่างนี้ทรัพย์ชาวบ้านก็ต้องสูญบุญก็กลายเป็นบาปเราจะหว่านพืชลงในนาใดต้องตรวจดูพื้นที่นาเดี๋ยให้ดีก่อนถ้าไม่ใช้ความพิจารณาให้รอบคอบหว่านข้าวลงไฟก็จะกลายเป็นข้าวรีบไปหมดติดใจที่ไม่เป็นบุญ คือเมล็ดข้าวมันรีบจงฝัดออกเสียอย่าเก็บไว้ทาพันธต้องให้นาดีและข้าวดีจึงควรทำเหตุนั้นต้องใช้ความดีต่อดีพยุงกันทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดผลในฐานนั้นๆฐานวัตถุที่ญาติโยมนำมาฝากในศาสนาก็ต้องเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าเป็นบุญพร้อมบริบูณ์